بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا ع د و ا ن إلا الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته س ه ل ا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، ا ه و سهل لنا الأمور ودبر لنا فإن ل ل ح س ن ل التدبير، اللهم ف ق ّ ن ا في الدين وعلمنا التأويل ونفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم، ببركة القرآن العظيم يا رب العالمين. أ ي ا ت ي تسيب سعمنا ك ب ย้อนมาทบทวนภารกิจของมุสลิมในฐานะเป็นพละเมืองในสังคมถ้าจําได้ว่าสุรุตอัตโตบาเนี่ยเป็นบทบัญญัติท้ายๆที่นบีได้รับมาในมัดดินาในช่วงที่สังคมมุสลิมนได้เรียกว่าได้บรรลุนิติภาวะ เรียกว่างอมกัน ล, ละผ่านบททสวมาเยอะละในพิที่สลพิรสการานีก็ถือว่าสังคมมุสลิมนี่มีประสบการณ์เยอะละจึงจมีความจำเป็นที่จะเริม่มจัดสรรจัดแถวในสังคมมุสลิม ถ้าผมบอกว่าเหมืนว่ารตัตตวานี่เป็น ก, กนันกําหนดคุณสมบัติของคนละเมืองเรื่องสัญชาติสัญชาติของมุสลิมในส่วนของมุสลิมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผ่นดินไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดแต่ขึ้นอยู่กับศาสนาสัญชาติของมุสลิมคือศาสนา กำหนดคุณสมบัติของพลเมืองในสังคมมุสลิมว่าถ้าเป็นคนต่างชาติในกฎกฎหมายอิสลามนี้ก็หมายถึง ค, คนต่างศาสนาและคนต่างชาตินี้อยู่ในแผ่นดินอิสลามได้ไม่ก็อยู่ได้อยู่ได้ทาวรด้วยไม่เหมือน กฎหมายทั่วไปเนี่ยถ้าต่างถ้าต่างด้าวนี่ก็ต้องเปลี่ยนวีซ่าทุกปีทุกหกเดือนวีซ่าทัวร์นี่ก็ต้องสิบสหวันก็ต้องทําอไมใจตังค์ด้วยอะไรด้วยรัฐอิสลามนีม่ต้องมีตนะ่างชาติอยู่ได้อยู่ได้นานเลยอยู่ได้ตลอดชีพก็ได้แต่ต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติสําคัญของคน ต่างศาสนาที่จะอาศัยอยู่บนแผ่นดินอิสลามจะต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ไม่แสดงความเป็นปฏิปักษ์กับอิสลามกับมุสลิมมีความเลื่อมใสในกฎหมายอิสลามและไม่จําเป็นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามด้วยอย่างที่เคยบอกกันนะว่าคนต่างศาสนานี่มีสิทธ์ ที่จะใช้กฎหมายของศาสนาตัวเองบนพื้นที่รัฐอิสลามซึ่งไม่มีกฎหมายไหนในโลกในโลกนี้ที่อนุ ญ, ญาตให้คนต่างชาตินี่ไม่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเมืองคนสมมติว่าคนพมา่าคนขาเขมรเข้ามาเมืองไทยเฮ้ยฉันไม่ขึ้นกับศาลไทยนีย่ฉันไม่ขึ้นหรอกฉันต้องขึ้นกระสานประเทศฉัน กฎหมายประเทศฉันและด้านศานาอิสลามนี่ไม่มีปัญหาเลยถ้าคู่กรณีนี่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะถ้าคู่กรณีไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วทั้งสองคนเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้อิสลามเป็นผู้ตัดสินเอาที่สบายใจเลยอันนี้ย้อนย้อนเพราะเรื่องนี้เคยคุยคุยมาแล้วย้อนมายกตัวอย่างมาพูดเรื่องนี้เนี่เพราะ หนึ่งใ น, นงในคุณสมบัติของพลเมืองที่เป็นมุสลิมที่จะต้องทำหน้าที่เนี่ยปกป้องสังคมปกป้องสังคมแล้วก็ปกป้องอิสลามทั้งในพื้นแผ่นดินของอิสลามและพื้นที่อื่นๆถ้ามุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมทุลามือ ทำได้ไหมทำได้แม้กระทั่งกฎหมายปัจจุบันกฎหมายสากลเนี่ยก็ยังมีประเทศบางประเทศเนี่ยอนุญาตให้ดําเนินคดีคนต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายของประเทศนั้นนน่ะนอกผืนแผ่นดินของประเทศนั้นนั้ประเทศล่าสุดในประเทศสวีเดนหรือโนวีนี่จะไม่ได้ฟ้องฟ้อง อยู่ฟ้องอยูที่สังหารหมู่คนปาเลสไตน์ออกมฟ้องได้เพราะกฎหมายของประเทศเขาอนุญาตให้ฟ้องคนที่ทําผิดกฎหมายของประเทศถึงแม้ว่าเรื่องผิดกฎหมายนี่มันเกิดขึ้นบนแผ่นดินอื่นแสนอว่าเขามองว่าเขามองว่าอธิปไตยของกฎหมายเขาเนี่ยมันจะต้องสา ก, กลาแล้วก็เขาก็มีผลยังไงมีผลดิ ถ้าสมมุติว่าคนโนเวย์ฟ้องยูทีเคนค่าปาเลสไตน์พิการซาสมมุตินะและศาลนี่ตัดสินว่าผิดนะเพราะฆ่าแบบล้างเผาพันธุ์แบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายโนเวย์เขาก็ตัดสินว่าผิดจําคุกจําคุกตลอดชีวิตเอาแล้วไม่มีผลอะไรมีผลสิมีผลแต่าหากว่า ยูคนนั้นนะ่ะพาดเดินทางสมมตเาเดินทางจากอิสราเอลเนี่ยมาเที่ยวไทยใช้สายการบินโนเวยจับกลุมได้เลยจับกลุมและกระสกเพราะเครื่องบินทุกลำเนี่ยถือว่ามีอธิปไตยของประเทศนั้น น, นอถือว่าตะกอนุนประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ย สายการบินซาอุดีนี่ตอนตะก่อนนูน้นนะแล้ทุกคนนี้ก็นอย่างเป็นอย่างนั้นนะ่ะห้ามนําเครื่องเครื่องดื่มเมามินเมาเนี่ยเหล้าเนี่ยขึ้นขึ้นทีนี้เจ้าหน้าที่ของสนามบินเนี่ยเขาไม่ตรวจเรื่องเรื่องเหล้าไงเรื่องเหล้าเนี่ยเขาไม่ตรวจโดยเฉพาะแต่เข้าเข้าไปใน ขอใดก็อะไรอะ่ะไอ้ห้างข้างในเนี่ยเอเอซื้อเราได้ใช่ปะ่ะซื้อเราได้แล้วก็ขึ้นเครื่องได้เจ้าหน้าที่ของสายกัลบินโซดี้เนี่ยจะตั้งด่านของเขาเนี่ยก่อนขึ้นเครื่องแล้วรัฐบาลรัฐบาลไทยนี่ห้ามเขาไม่ได้แล้วเขาจะค้นผู้โดยสารทุกคนอีกรอบนึงนะ่ง คือถูกคนไปแล้วนี่ไม่รู้กี่ด่านแล้วเนะ่ยแต่บอ ก, ก่อนขึ้นขึ้นค น, น, นอีกรอบหนึ่งแล้วคนไม่หาไม่ได้หาไม่ได้หาเพาราะว่าแบงค์ไม่ได้หาเรื่องเดียวเราพเพราะตะกอะนู่นนะ่ยคนซาอุดีนี่ชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็รักกรอบรักกรอบเราเนี่ยเขาคนนหาเราเขาถือว่าเครื่องบินของเขานี่เป็นผืนแผ่นดินของซาอุดีอาระเบียเขาสามารถที่ใช้กฎหมายของเขาได้ โดยที่รัฐบาลอื่นไม่ไ ม, ไม่มีสิทธิที่จะห้ามเขาคนที่เกิดคนต่างชาติเกิดบนเครื่องบินแล้วถ้ารัฐบาลประสงค์ที่จะให้สัญชาตินะให้ได้น่าจะมเีเคยมีเคสแบบนี้คนต่างชาติไม่แน่คนไทยหรือใครเนี่ยขึ้นสายกันบนอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ขอดบนเครื่องได้สัญชาติเลย ไอ้ที่เขาบอกว่าได้ตัวฟรีตลอดชีพอันนี้ไม่จริงนะอันนั้นอันนั้นตัวจสอบแล้วไม่น่าจะใช่แต่นี่เป็นตัวอย่างว่าเออแนวกฎหมายสากลนี่มันก็มีนี่อต่ที่ปไตยของกฎหมายนี่สากลเลยอ่ะอิสลามก็เหมือนกันคนที่ละเมิดละเมิดอิสลามหรือละเมิดมุสลิมเนี่ยก็มีมีสิทธิ์ที่จะปกป้องเขา ผลที่จะตามมาจะเป็นยังไงนั่นนี่ก็ว่ากันทีหลังแต่ต้องถือว่าคนที่ละเมิดอิสลามละมุสลมิมถือว่าได้กระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายในอธิปไตยในอํานาจของคองรัฐอิสลามและคนละเมืองมุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ปกป้องอิสลามปกป้องมุสลิมสุดความสามารถสุดความสามารถโดยเฉพาะคนที่บางอาจ กล้าแสดงความเป็นปฏิบัติกับอิสลามหรือกับมุสลิมในอายะจ์เจ็ดสิมีกก็กาหนดหน้าที่ของของพลเมืองโดยผ่านการสั่งทองนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมยาอยฮนบียูจ اهيدي الكفار والمنافقين و โอ้นบีหมายถึงให้บอกให้กล่าวให้ประกาศให้บัญญัติให้คนทั่วไปได้รับรู้บนสุรษัทละักนะครับไอ้เย์ฮันนบีอ่อิฎะทัลลักตุมุลนิสาฟาทัลลิกุหุนลิอิดดะฮินน์ว่าุลอิดดะสังสังทั้งนบีว่าถ้าจะหย่าร้างเนี่ยก็หย่าในระยะเวลาที่ที่ถูกอนุมัติ นั่นไม่ได้มารวมเรื่องเรื่องอยางนี่มันเกี่ยวกับนบีคนเดียวนะแต่ถ้าเราบอกว่าให้ท่านทราบแล้วก็บอกด้วยบอกคนอื่นด้วยยิ่งถ้าคำสั่งนี่มันมันไม่ได้เป็นภารกิจส่วนดวงท่านนบีโดยปริยายหมายถึง ว, ว่าเข้าใจได้แต่ขยะเนี่ยว่าสิ่งเดียวเราจะสั่งนี้นะไม่ได้เป็นหน้าที่ของท่านนบีคนเดียวเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนจึงเข้าใจได้ว่า อันเนี้ยเราไม่ได้สั่งผู้ศรัทธาโดยตรงแต่สั่งท่านนพีาออยู่หันนบีอยู่เราก็ตีความได้ง่ายว่าโอ้นบีบอกกับคนอื่นเอาแล้วไม่ดีกว่าหรือมันไม่ชัดกว่าหรือเอาไว้ระบุเลยโอ้นบีบอกผู้ศรัทธาสิโอ้นบีและผู้ศรัทธาจงทำแบบนี้มันไม่ชัดกว่าอาจจะชัดกว่าแต่แบบนี้นี่มันลึกซึ้งกว่าทําไม คือผู้ศรัทธารู้สึกว่าคำสั่งเนี้ยเขาถูกสั่งพร้อมกับผู้นำของเขาผู้นำสูงสุดเลยลองคิดดูสิถ้าถ้ากฎหมายทุกฉบับเนี้ยพรบทุกฉบับเนี้ยสำหรับคนไทยทุกคนตั้งแต่นายกเป็นต้นมามันจะมันจะรู้สึกโอ้ขังจริงๆนะ แล้วก็ใครจะบิดผิวเรื่องกฎหมายนี้แล้วก็หาข้อยกเว้นนะหาข้อยกเว้นด้วยวิธีไหนก็ได้นะจะจะไปนอนโรงพยาบาลหรือจะไปอะไรนี่ก็ก็ไม่เว้นนี่ไงนายยกด้วยนี่ภารกิจนาบีนาบีต้องทำด้วย นบีต้อด้วยเราก็รู้สึกนิ่มเรากําลังทําภารกิจเดียวกับนบีอันไหนมันจะอันไหนมันจะดูรู้สึกลึกซึ้งกว่าและกมุมมองหนึงว่าเราได้รับคําสั่งให้อัลลอฮ์สุบฮานาอฺได้สั่งผู้ศรัทธาด้วยตัวเองก็หมายถึงว่านบีให้ทําแล้วก็สั่งผู้ศรัทธาด้วยสั่งผู้ศรัทธาให้ทํา มันก็ทำให้พลเมืองหนิรู้สึกว่าเอเขาเขากฎหมายนี่เขามีความเสมอภาคมีมีความเท่าเทียมคําสั่งนี่คืออะไรเจ้าฮีดิลกุฟาร์เราลมุนาฟิกีนจงต่อสู้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้กักกองในการศรัทธาคือพวกมุนาฟิกีว่ารู้ว่าอะไรฮิมและจงเฉียบขาดแก่พวก นี่และทูภารกิจว่าภารกิจนี้มาในรูปแบบคำสั่งสังารจาฮินี่เป็นคำสั่งการะสั่งจาฮิถ้ากพาสอดีนะพาสจาฮดถ้าถ้ากปัจจุบันเนี่ยยูจาฮิถ้ากะสั่งละจาฮิจง ต้องต่อสู้และอุลามะประที่เกี่ยวกับวิชาว่าด้วยการตีความอุดหนนและฮะดิษในด้านนิติศาสตร์เขาบอกว่าทุกกริยาสั่งคําสั่งนมันมีผลให้คําสั่งนั้นเป็นการกระทําที่ว ajib จาเป็นต้องปฏิบัติเขาบอกว่าอัลอัมรุ ย่ฟีดลููบ่คำสั่งนี้มีผลว่าเป็นวาจิบทุกคำสั่งในคุรานในฮะดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาจิบถ้าไม่มีหลักฐานอื่นแย้งออกจากอาณาคขตของวาจิบเช่นนบีสั่งว่าจะเข้ามัสยิดเนี่ยตรงอย่านั่งจนกว่าจะละหมาดสรกกาแสดงว่าจะเยทูลมัสยิดเนี่ยวาิบป่ะ มีอุลามาดีนี่เดียวนี่เดียวที่บอกว่าจิบม่ต้องคนเดียวนะนั่นเอนะอัลเลาทั้งหมดเลบบอกว่าไม่วาจิบทำไมเพราะมันมีฮะดีสอื่นที่ดึงแต่ให้คนมาสิออกจากความเป็นวาจิบก็คือฮะดีสบันทึกโดยบุคครมุสลิมที่ซาฮาบะชอนนุ่มาถามท่านนบีอัลลอฮ์สั่งให้ฉันละหมาดกี่วัตตุนบีบอกว่าห้าวัตตุ ถ้ามากกว่านั้นน่ะก็เป็นเรื่องอาสาอิลลั่ออันตะตะวะแสดงว่าที่ไม่ใช่ห้าวัตตูเนี่ยทั้งหมดนั้นน่ะเป็นอะไรเป็นสุนนะทั้งนั้นไม่ได้เป็นวาจินี่แหละจาฮิดิลกุฟาร์จงต่อสู้ผู้ปฏิสัทธาและพวกกับกอกเนี่ยมันมีอะไรที่จะมาแย้งไหมไม่มีดูจากชีวประวัติของท่านนบีสุลต่าน แลชะชว่าประวัติของซาอบ้านนีได้ดำรงหน้าที่คุณสมบัตินี้ของมุสลิมนี้อย่างสม่ำเสมาซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่ของมุสลิมที่มันใกล้จะศูนย์พันโดยหลายเหตุผลแต่มีสองเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้มุสลิมเนี่ยในยุคหลังเนี่ยไม่ต่อสู้ผู้บฏิสัทไม่ต่อสู้พวกมุนาฟิกเหตุผลแรกก็คืออ่อนแอเนยอย่างที่เห็นกันอ่อนแอไม่ไหวไม่มีความสามารถช่างเข้าไปเถอะเหตุผลที่สองมันเป็นทฤสดีที่อิหม่ามอิบเนตัยมียะไรบอก มุสลิมถ้าถ้าทำสิ่งบาปอย่างหนึ่งนะผลลับของมันนี่คือทำบาปที่มันที่ที่มันทำให้ได้ไ ด, ได้รับผลบาปใช่ไ่มเป็นบาปแต่มันมีผลลับอีกอันหนึ่งก็คืออัลลอฮจะให้เขาเนี่ยละเว้นหน้าที่ที่ตรงข้ามกับบาปนั้น และทิ้งหน้าที่ที่ตรงข้ามสมัยท่านนาบีและสหาบาเนี่ยเขาฉลอหลงเมวริดนบีไหมไม่ชือลงเมินบีแต่เขารักนบีไหมคือไม่มีใครสามารถบอกว่าเรานี่รักนบีมากกว่าสหายบาใครที่พูดแบบนั้นนะ่ะคือบ้าแล้วก็คือคนไม่ไม่มีสติละแต่ดูสิระวังว่า ซลาฟเนี่ยเขารักนบีมากที่สุดไอนี้จะเอกฉั้นเกินะทั้งนี้เขาไม่ได้ชาวอลงมอลิตนบีแล้วมาดูนะซาบ้าแล้วก็ซลาฟนี่ยเขารักนบีแบบไหนอ่ะเขาปฏิบัติตามสุนัขนบีเคร่ขันในสุนทรของท่านนบีปกป้องสุนทรของท่านนบีปกป้องตัวท่านนบีเองแต่พอยุคหลังเนี่ยชาหลังมอลิตไหเยอะเลยทั้งนี้เขาอ้างว่ารักนบีนะแต่ดูผลตรงข้ามนะ ปฏิบัตบิตามสุนทรคของท่านนาบีไหมไม่เคร่งครัดในสุนทรคของท่านนาบีไหมไม่ปกป้องนบีไหมสมัยนบีนี่ถ้ามีใครลบหลู่นบีนี่สอบว่าใครจะนอนหลับเนี่ยมีใครลบหลู่นบีใครใครดูถูกศาสนานี่เขาจะหลับนอนหลับสบายๆชิวๆมมีม เรื่องความรักต่อท่านนบีมาตรฐานเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราที่เราคิดกันในปัจจุบันรักนบีต้องสละวัตรนบีให้เยอะที่จริงนั้นสละวัตนบีให้เยอะก็เป็นสัญญาณของความรักต่อท่านนบีแต่มันไม่ใช่เพียงเรื่องเดียวเช่นเดียวกันอิมามอิมามอยมีอัติบอกว่าถ้ามุสลิมเนี่ยไม่ทําหน้าที่ต่อสู้ศัตรูอิสลาม เขาจะไปหาศัตรูในหมู่มุสลิมของเขาเองและจะไปหมกวุ้นกับการต่อสู้ต่อท่านมุสลิมด้วยกันคำถามว่าทำไมเราไม่ได้ไปต่อสู้ยวไม่ได้ไปต่อสู้คนที่ลบลย่ยเพราะเราหมกวุ้นอยู่กับการต่อสู้ด้วยกันไงและเอาเริ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาแอบอ้างเป็นเหตุผลที่จใจต่อสู้เขา และถือว่าเป็นเรื่อง j i มีมีผู้รู้ที่บอกมอ๋อต่อสู้อิกรานเนี่ยเป็น jihad ในหนทางอัลลอฮ์แล้วเขากำลัง jihad jihad ในหนทางอัลล์ด้วยการต่อสู้พี่น้องมุสลิมด้วยกันชัเจแล้วถ้าถามว่าแล้วทาไมเขาไม่ไปต่อสู้ยุตะตรูอิสลามก็บอกว่าอยู่กับการต่อสู้มุสลิมด้วยกันนะจะไปต่อสู้กับศัตรู ศัตรูคนอื่นยงสร้างศัตรูเค ร, ร่าสร้างตุ๊กตาศัตรูให้ตัวเองแล้วเพื่อสนองคาข้อแอ บ, บอ้างเอ๊เอัยนนีอย่างา ก, กําลังยกําลังจี ฮ, กกจฮัแต่มันมันมันเป็นจ i ฮัดแบบสบายๆที่มันไม่ต้องลงทุนมันเป็นจีฮัที่ทำให้ผู้นำนี่พอใจได้ดารงตำแหน่งไว้มีเงินเดือน มีรายได้มีชื่อเสียงสามารถออกทีวีได้สามารถให้สัมภาษณ์เป็นอิมัมมัสเซทารอมได้แต่ถ้าหากว่าไม่ไม่ทำโอ้ฉันฉันไม่ต่อสู้อีกควาแล้วฉันขอต่อสู้ยาฮุดต่อสู้ยาฮุดเด้งเลยผู้นาเขากำลังจะเขากำลังมีดิวดิวและไม่ใช่ดิวลับเด็ดนะดิวเผนะยแล้เขากําลังจะมีดิวอยู่แล้วก็เองจะมาต่อสู้กับยูได้ไงโอ๊ตไคดูอา อันนีตอนนี้เนียเขาบอกว่าจะดูอาให้ปาเลซา์ก็เถอดูอาไปเถอะแต่อย่าให้เ อ, เ, อใหเอ่ยคําว่า ย, ยูในดูอา <c oughs> นี่มีสองคนละผมติดตามอยู่คนนึงเป็นคนตุรกีคนนึงเป็นคน阿尔จิเรียคนหนึ่งถูกจับกําลังทําอุโมงค์ขอดูอาเสียงดังในมันสยิดอารามเนี่ยโอ้อลอช่วยเหลือผีองชาวปาเลซายร้อจัดการพวกยวหน่อย อุ้มลถูกุ้มเลยถูกุ้มแล้วกําลังใสชุดย่ารอมอยู่เยอีกคนหนึ่งคนอัลจิเรียนี่ทําอุมรอเสร็จแล้วไปมัดินาเสร็จแล้วนี่ซีรอขุบบนบีเสร็จแล้วนี่ออกมานี่ก็ดูดูเน็ตนี่ก็เห็นภาพโอ้ยน้องบาลิสากําลังนี่ดิบดบสดสดนี่เลยเห็นกําลังถูกโคมเหง์ถูกเกณฑฆ่านี่เขาเขาเลยดไลฟ์สดไลฟ์สดนี่โอ้อัลล ไลฟ์สดนี่ก pues nope ็ไม่ดีแบบว่าเกิดตัวเองแตเสียงดังนิดนึ่งกนะโอ้โหเจาช่วยนะเจ้าเจ้าหน้าที่มาจากไหนก็ไม่รู้อุ้มมาอยู่ในโรงพักนี่6ชั่วโมงสอบสวนไปสอบสวนมาแต่สุดท้ายเขาก็ปล่อยนะแต่ถูกุจับมาทางดังดีมีคนในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยไลฟ์สดนี่ไปหาเนติยาโฮ ออกติ๊ t ต k ok เนี่ยคุยกับยูผู้หญิงซาอุดีอคนหนึ่งคลิปดังมากคุยกับยูคนหนึ่งหน้าตาหล่อเขาบอกว่าโอ้ถ้าคนที่ข้าปาลิซายเนี่ยหน้าตาดีเหมือนพวกคนเนี่ย go ahead go ahead <laughs> เอาเลยเต็มที่เลยคนแบบนี้ถูกจับไหมถูกเรียกถูกสอบสวนไห ม, ไมก็นิ่งเ คุณสมบัติหรือหน้าที่พลเมืองมุสลิมเนี่ยมันมันไม่ใช่ของกรัอิสลามนี่มันไม่ใช่ของกฎหมายอิสลามคนที่จะปกป้องอิสลามปกป้องมุสลิมมันากลายเป็นคนทําผิกดกฎหมายทําผิกดกฎหมายใครๆก็รู้นี่ใครไปทําคนเราเนี่ยคนไทยนีย่อาจจะไม่ไม่ไม่ไมพวกพวกเราเนี่แบบว่าเป็นคนขี้อายหน่อยคนไทยอะ น, นะ สมมติว่เวลาไปที่นู่นเนี่ยแล้วก็เราเดกสิงพี่น้องบาลิสักำลังตะวา่านี่เ อ, อเราก็อาจจะซาบซึ้งแล้วก็ขอดุอ่าในตะวันในละมานนี่แหละแต่คนดังชาติอื่นนอย่างคนพวกอับรานิมสานบากิสถานเนี่ยอาหรับเนี่ยถ้าเขาเลือดทองขึ้นนะนะโอ้โหเนี่ยเขาจะยกมือขอเสียงดังเลยแท้นี่ก็ต้องสั่งสอนต้องสั่งการ ไปที่นู่นเนี่ยอะไรอะไรเนี่ก็เก็บอารมณ์เลยนะมันไม่เหมือนตะก่อนเรื่องหนึ่งผมเห็นแกตาไม่มีใครเล่านะนั่งอยู่ที่มาดีนะมนาซินนบีเนี่ยแล้วก็มีคนอ่านก็อ่านเสียงเพาะหน่อยเสียงเพาะหน่อยคนข้างๆนี่โอ้ยอ่าอ่านนีดหน่อยอ่านนิดหึ่งแล้วก็เขาก็มามาตั้งกลุ่มอาแล้วก็นี่จะได้ฟังก็เขาก็อ่านเสียงดังหน่อยไอ้คนอื่นเนี่ยคนนี่อยู่ข้างๆนี่เขาก็ไม่ ไม่สนใจอะแป๊บเดียวผมเนี่ยในใจเนี่ยไม่รอดแป๊บเดียวนะครับเจ้าหน้าที่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอย่าเสียงดังมั่มนุ่ห้ามในมัสยิดนบีเขากลัวกลัวเขากลัวเดี๋ยวคนอันนี้อ่านกุูอ่านเดี๋ยวอีกคนหนึ่งมาปราศัยอีกคนหนึ่งมาเสีหัดอีกคนหนึ่งมาดูอายโอ้ยยุ่งเลยฉะนั้นอะไรที่มันเป็นกลุ่มๆเนี่ย ที่ไม่เป็นทางการนะี่ยเขาจะหานี่จะนั่งคิดว่าจะนั่งฮะแล้วก็นในมสัสยิดนบีมสัสยิดฮะรอมแล้วก็มีใครมาสอนนี่ไม่ได้นะจัดแช่จัดฮัดองรอนเนี่ยไปตั้งกลุ่มของลูกฮั์ของตัวเองเนี่ยในมสัสยิดฮะรอมมสัสยิดในมสัสยิดเนี่ไม่ได้นะอย่าว่าในมสัสยิดน่ยนอกมสัสยิดเนี่ยทัศนศึกษานี่บางทีก็พาลูกฮัดเนี่ยไปเออตรงนี้บาปนู่นนะอันนี้ตรงนู้นนะแล้วก็มานั่งกันหน้ามสัสยิด นบีเนี่ยมาและเจ้าหน้าทีมาไล่ล่ะถึงพวกชียเวลาเข้าไปทีหนึ่งเข้าไปกันเป็นหมื่นเขาไปจัดกิจกรรมที่บบกเกเป็นหมื่นเจ้าหน้าที่หนึ่งอะทำอะไรไม่ได้ได้แต่เฝ้าอย่างเดียวอืท่าทายอย่างนี้นี่แหละสองเหตุผลออนแอ แล้วก็เราไปหาศัตรูภายในอุมมาของเราเนี่ยเพื่อปลอบใจตัวเองว่าเราต่อสู้ศัตรูแล้วเหมือนเนี่ยเหมือนนกอักเรียนเนืงจากมานักเร้องนักร้องเรียนนะ่ะนี่เหมือนเลยคือข้อแอบอ้างของเขาเนี่ยก็คือปกป้อง ปกป้องชาติปกป้องเออะไรตัวนี้อะไรนี่นะใครเอะอะ อ, อะไรนี่ก็ร้องเรียนยร้องเรียนถ้า เ, เป็นพรรพวกของตัวเองที่กระทำอะไรที่มันผิดชัดเจนเลยนะ เ, ยเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาเกี่ยวกับอะไรสักอย่างไม่ขันไม่ร้องร้องไม่ได้นี่แหละ แล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นถือว่าเป็นเป็นไวรั บ, บุรุษของสังคมที่กําลังปกป้องปกป้องไปที่ชาติใช่ไหมเนี่ยปอบใจตัวเองหาศัตรูนี่หาศัตรูภายในตัวเราเองเนี่ยจะไดะ้รู้สึกว่าไปดูสิมาเฟียรัสเซียมาเฟียจีนมาเฟียสีเท า, า, าอะไรพวกนี้นะพวกนี้ไม่ร้องเรียนเลยนะทั้งนีนพวกนี้เนี่ยกําลังทําลาย ประเทชาติเหี่ยชัดๆเลยทําอะไรไม่ขึ้นหวอะไรไม่นี่ศัตรูศัตรูของปฏิชาติทำลายประเทชาติเศรษฐกิจของประเทศชาติ ช, ช, ชัดไม่ทำนี่เป็นทฤษฎีด้านสังคมที่สามารถลงมาตรวจสอบกับตัวเราเองและกับคนอื่นได้ง่ายเลยคนที่ทํางานเพื่อ ประเทศชาติเพื่อสังคมเพื่ออุมมาจริงๆเนี่ยผลงานของเขานี่ผลงานของเขาเนี่ยพิสูจน์พิสูจน์ได้ว่าเขาต่อต้านคนที่เป็นปฏิปักษ์กับสังคมปฏิปักษ์กับกฎหมายของบ้านเมืองอย่างสม่ำเสมออย่างเสมอต้นเสมอปลาย แต่ถ้าหากว่ามีเลือกปฏิบัติมีสองมาตรฐานนี่อันนี้เห็นชัดเจนเลยวเขาเขากำลังบิดพิ้วกับมาตรฐานของตัวเองเพื่อปลอบใจตัวเองเราต้องมาตรวจสอบหน้าที่ของเราในการปกป้องศาสนาปกป้องศาสนาและปกป้องพี่น้องมุสลิมของเรา <c oughs> ในคําสั่งเนี้ยที่ผมบอกว่ามันเป็นคําสั่งนิจยาฮิตก็เหมือนคําสั่งอื่นซอลล่อนลิซุม่ม สัน ล, ลิจงละหมาดสุ่มจงถือสินอดจ๊ ก, กจงออกอากาศมันเป็นคำสั่งเดียวกันแต่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายถ้าคำสั่งของอัลลอเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ปฏิบัติโดยส่วนตัวที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเปลืองตัวน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่อง เป็นเรื่องสม่ำเสมอนะสำหรับทุกเรื่องน่ะไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวอะไรที่เราทำแล้วมันไม่ขาดทุนนะเราทำได้ทำได้เยอะทาได้เยอะเลยทำไปเรื่อยๆแต่อะไรที่เราทำเรื่องดีนะแต่มันต้องเปลืองตัวหน่อยมันต้องขาดทุนอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เราต้องคิดช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นเรื่องที่เรา ไม่มีใครขดัดแย้งเลยว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันต้องไปกระทบอำนาจคนอื่นกระทบอิทธิพลของคนอื่นและทําให้เราเนี่ยจะต้องออกตัวต่อหน้าอทิทธิพล น, น, น, นั่นน่ะนือแล้วต้องเสียหายขาดขาดทุนอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ช่วยเขาทาั้งทั้งที่การช่วยเหลือคนเราถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นหน้าที่ บางคนก็อาจจะบอกว่าก็ใช่สิก็สู้สู้คนเดียวนี่มันไม่คุ้มหรอกบางทีเนี่ยต้องไปประเชิญหน้ากับอิทธิพลบางอย่างเนี่มันอาจจะถึงชีวิตก็ได้นี่ความบกพร่องของสังคมเนี่ยที่เราปล่อยปะละเลยให้คนที่จะต่อสู้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจะต้องต่อสู้คนเดียวอันที่จริงแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยต้องรวมตัวกันตรงนี้ช่วงนี้เนี่ยช่วง หนึ่งสถาการณ์ป่าลึกสารเนี่บางทีไม่ใช่บางทีนี่หลายคลิปแล้วที่มันจะขึ้นมันขึ้นเองใช่ไหมคลิปไอ้พวกสัตว์ในป่าเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์ดุที่ที่ล่าสัตว์สิงโตอย่างเงี้ยล่าล่าไอ้กระบือเอ้ควายป่านะมันขึ้นหลายคลิปแล้วนะให้ผมดูนะสิงโตนี่พอเข้าจะไปงับไปไปล่าตัวหนึ่ง พอฝูงมันมานี่มันกระทืบไอสิงโตนี่หนีเลยหนีเลยแล้วก็คลิปอีกตัวหนึ่งไอสิงโตนี่มันงับตัวหนึ่งแล้วกะ็ไอเพื่อนฝูงมันนะนะมันก็มามองดูมาดมกินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยปล่อยถูกกินเรียบร้อยมันใหน้เห็นให้เห็นแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีเนี่ยก็ได้บทเรียนถ้ารวมตัวกันได้นี่ไอคนที่มีอิทธิพลในสังคมเนี่ยสู้ไม่ได้หรอก สังเกตนคดีต่างๆที่พวกผู้มีอิทธิพลเจ้าหน้าที่ที่คมเหงประชาชนถ้าไม่ออกทีวีถ้าไม่เป็นแฮแทกไม่ไม่ออกโซเชียลเนี่ยไม่ดังนะเงียบเงียบเงากบเงียบไปขอให้ออกช่องสามขอให้เป็นแฮชแท็ก ออกโซเชียลแล้วก็แชร์กันสักแสนคนน่ะ น, นะฮะสักแสนคนตอนนี้ไม่ต้องช่องสามก็ได้ช่องห้าช่องจิก็ได้ขอให้มันเป็นประเด็นในสื่อแล้วกันไม่ได้เลยคำสั่งเลยจากผู้ใหญ่ให้เรื่องนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องออกเหมือนกันหมดเลยนะครับเราปฏิบัติกฎหมายไม่เข้าข้างใครจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะมาแล้วมาแล้วคุณมาคเนี้และถ้าสังคมนี้ไม่ติดตามคดีนี้เนี่ยนะ เออก็เข้าตู้แช่เหมือนกันเข้าตู้แช่เหมือนกันแต่ถ้ามีใครติดตามมานะก็ต้องยังมีคนออกมาแถลงมอ่ะมาะแถลงเหมือนกันนะ่ะให้คให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนี่ใครน ะ, ะครูเจี๊ยบอ่ะดูแค่ดูนะคดีนี้ดูมันจะมีประเด็นมันจะมีประเด็นผมรู้สึกว่ามันจะมีประเด็นอะไรสักอย่าง หมายถึงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังครูเจียบเนี่ยที่จะผลักดันเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแต่เป็นครั้งแรกที่เห็นที่เห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาเบิกบานมากเลยเพราะคนที่ยิงเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาออกมาพูดคือขักมากเลยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอายนนท ไอ้ออกมาแล้วก็ไอ้อา ย, อายเราุน้นอีกอันนี้ก็เต็มที่ไง เ, เพราะเพราะประชาชนเล่นกันเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เต็มที่เลยเรื่องนี้ต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างแต่เรื่องนี้อย่าง ท, างที่อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีส่วนส่วนที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถให้คำตอบกับสังคมว่าทำไมทุกวันนี้เนี่ย วัยรุ่นเนี่ยยังหาปืนหาซื้อปืนได้ครอบครองได้ทั้งดังดีมันดิบดบสดส ด, สดของอะไรนะห้างอะไรนะพรรากอนะแต่อันนั้นไฮโซหน่อยนะอันนี้เด็กช่างแต่มันให้เห็นไงว่าทุกทุกชั้นชนชนชั้นนะ่ะในสังคมมานะมีปืนได้ บ้านเมืองนี้อะไรที่มันผิดกฎหมายนี่ได้หมดเลยได้หมดเลยไม่มีใครกีดกันอยากจะกินเหล้าเถื่อนบุรีบุรีเถื่อนยาเสพติดแม้กระทั่งยาเสพติดที่มันถูกกฎหมายแล้วกระทอมกัะชา้านี่ได้หมดเลยปืนก็ได้หมดเลยผมบอกกับบ้านเมืองนี้ดูเหมือนว่าไม่มีกฎหมายเลยนะไม่มีกฎหมาย ในเมืองหลวงที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้สึกว่าเออมันระเบียบ ม, มันต้องเข้มงวดที่สุดเข้มงวดที่สุดแล้วเพราะขนาที่คนนี่ขับรถไม่ลัดเข็มขัดเนี่ยอาจจะถูกปรับนะเจ้าหน้าที่เรียกเลยนะอผมเคยนะไ ม, มไม่ลัดเข็มขัดไม่รัดเข็มขัดแต่ครอบครองปืนไ ม, ไม่มีใครสอบสวนเลย จากประเด็นที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำให้ประชาชนเนี่ยพลเมืองทั่วไปเนี่ยรู้สึกถึงบทบาทในการปราบปรามความชั่วและปราบปรามคนชั่วยะฮิดิลกุฟาราวลุนาเฟติไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมากเฮ้ยเผากุรอ่านได้ไงหรือต้องมีกระบวนการและวก็นักกฎหมายที่ออกมาร้องมาฟ้องร้องหรือมาดำเนินคดีห พลเมืองออกมาพูดออกมาเรียกร้องอะไรนี่ไ ม, ไม่มีแล้วเนี่ยโลกนี้เนี่ยไม่ชินแล้วกับกับบรรยากาศของของพลเมืองที่ออกมาทำหน้าที่แบบนี้ทำไมช่วงปาเลสไตน์เนี่ยปัญหาของป า, ลาเลสไตน์ประเทศที่ออกมาประท้วงมากที่สุดไม่ใช่ประเทศมุสลิมที่ออกมาประท้วงเรียกร้องสิทธิของยูเนว่าไม่ใช่ประเทศมุสลิม มีแหละประเทศมุสลิมมีแต่ที่ออกมากที่สุดและเป็นข่าวมากที่สุดนี่นะไม่ใช่ประเทศมุสลิมบังกลาเทศนี่มุสลิมนี่เกืบสองร้อล้านนะ่ะออกมาประท้วงนี่ห้าหมือนอะไรเงี้ยยะกษ์จริงนะแต่มันไม่ไม่แนะม็เซ์เซนน่ะมัดส่สวนประชากรนะ่ะเป็นร้อยรอยล้านอย่างเงี้ยแล้วมุสลิออกมาห้าห้มื่น ไม่ต้องพูดนะบ้านเรานี่ไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดนะมุสีมรดไทยนี่ตกขอบนะตกกระเบียงนะเราไม่เราไม่ได้อยู่ในเวทีเลยความอ่อนแอของเราสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมากที่สุดและฝรั่งเศสออกมาเป็นแสนออกมาแบบดุเดือดประท้วงหน้าทำเนียบ ประท้วงหน้าบ้านไบเดนอังกฤษนี่ยประท้วงหน้าทำเนียบประท้วงออกมาสองแสนสอสมแสนเขาบอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์มากที่สุดหลังสงครามที่พันธมิตรเนี่ยเขาไปถล่มอิรักเนนะ่ยตอนนั้นก็ออกมาประท้วงเยอะเป็นเป็นแสนเหมือนกันแต่หลักแสนประชากรมุสลิมในอังกฤษเนี่ยไม่กี่ล้านแสดงว่าคนที่ออกมานี่ยชัวรเลยนะไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียว ส่วนมากที่ไม่ใช่มุสลิมอันนั้นหมายรู้ว่าอะไรก็หมายรู้ว่าคนต่างศาสนาเนี่ยเขาเห็นความอธรรมที่เกิดขึ้นออกมาปกป้องคนที่ถูกอธรรมมาประนามคนที่ถูกอธรรมนี่นี่นี่คุณสมบัติของมุสลิมแท้ๆเลยเพราไมมุสลิมไม่ทำล่ะเออของมุสลิมมุสลิมไม่ได้อยู่ในบรรยากาศโอกาส ที่จะสามารถสแสดงออกซึ่งหลักการศาสนาของตัวเองล่าสุดนี้มีมีมุสลิมคนฝรั่งเศสหรืออาจจะเป็นมุสลิมจากยุโรปประเทศอื่นนะนะแล้วก็จะไปทางมรอแล้วก็มา transit ท, ที่ฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่ามุสลิมกลุ่มเนี้ไม่ใช่มุสลิมอาณาบริเ อ, อะไรนะนเข้าไปแบบว่า ไ, ไปเป็นกรุ๊ปไงก็ถึงเวลาละหมาด เขาไม่เห็นมีมุซัลลามีที่ละหมาดแต่มันมีสนามบินที่ฝรั่งเศส ท, ที่ปารีสนี่มีแต่เขาไม่รู้ไงว่ามีเขาก็เลยละหมาดที่นั่นเลยโอ้โหนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องถึงขานาะดที่รัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็แมครอรนนี่ก็ต้องมาคอมเมนต์ด้วยเฮ้ยไหนอะผู้ว่าสนามบินอยู่ไหนอะมีระเบียบไม่มีที่ละหมาดทําไมไม่จัดการพวกนี้ ผิดตรงนี้ไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยไม่มีอะไรเลยคนก็นละมาซึ่งถ้ามุสลิมที่อื่นนะเองมุสลิมบ้านเราเนี่ยแทาไม่มีที่ละหมาดนะอันนี้พูดจากประสบการณ์ที่ที่ผมเห็นนะั่นนะมุสลิมในบ้านเราเนี่ยไม่มีที่ละหมาดก็คือไม่ละหมาดเอมึงนีมทำไมจะันคิดยากอ่ะมันไม่มีที่ละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดดิทไมต้องละหมาดนะมันไม่มีที่ละหมาดแล้วยิ่งไม่มีที่อับนั่นละหมาดยิ่งแล้วอีก เป็นขอ้ออ้างไม่มีที่ละหมาดและไม่มีที่ให้าอาบนาละหมาดและจะให้กุละหมาดยังไงนี่เหตุผลแทบมุสลิมเกือบทุกคนคือมันมันมันเป็นสาตนดามนมัมนเป็น ม, มนาตรฐานสซาอุดีในยุคหนึ่งมาประมาณเกือบ20สบปีได้มั้งตอนนั้นอะอุลามาเป็นแกนนำในประเทศประธานรัฐสภาเนี่ย เช خ อ b d u l l a h bin Humaid เนี่ยอิมามมัสยิดฮะรอมเป็นประธานรัฐสภาเป็นอุลามาประธานรัฐสภาดูอุลามะตอนนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยจัดประชุมรัฐสภาโลกหมายถึงแบบเขาเชิญเออเชิญคณะจากรัฐสภาทั่วโลกเนี่ยมีประชุมเขาก็มาเขามาช่วงเดินทางมาจากซาอุดีใช่ไหมมันนานแล้วก็ มันใกล้เวลามักริบจะหมดละใกล้กจะเข้าเวลามากลลกักริบแล้วก็ดูฮรีอัส ร, รีเนี่ยไม่ได้ละมาดเขาก็ลงมาจากเครื่องเวลาละหมาดรวมไงดูฮรีอัสรีละหมารหดรวมละหมาดละหมาดที่ไหนเขาบกว่า20ปีตอก่อนุ่นดอนเมืองนะก่อนมันมีที่ละหมาดนิดเดียวในใต้บรรันไดถ้าใครทําได้นะมีที่ละหมาดนิดเดียว ก็ไม่มีแลที่ละหมาดไม่มีแล้วะละหมาด ต, ตรงนี้แหละการทางดีไม่ได้ไปละหมาดที่ฝรั่งเศสนะะป่านี้นี่ก็คงเจอไอ้พวกไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกนกนกกระจอกเนี่ยอาจจริงบ้านเรานี่ผมบอกว่าพี่น้องเรามุสลิมนี่ละหมาดที่ไหนบนพื้นเป็นดินไทยเนี่ยลองละหมาดบนฟุตบาทดิไม่มีใครไม่มีตำรวจจะบอกเฮ้ยละหมาดบนฟุตบาทไม่มีไม่มีใครจะไปยุ่งกับคุ Allah ให้เรามีสิทธิเสรีภาพอํานวยให้พี่น้องต่างศาสนิาเนี่ยเปิดให้เราได้ประกอบศาสนกิจอย่างเสรีภาพเต็มที่เลยแต่เราเนี่ยตั้งเงื่อนไขไม่มีที่ละมานมันไม่สะอาดผมเคยบอกกับพี่น้องคนที่ทํางานราชการมาถามผมว่าวเีกไม่มีที่ละมานผราะกว่ามีมีห้องพระไหม n no, น no, no no no ชิดจะบอกว่าให้ใหละหมาดในห้องพระเหรอก็ไม่มีที่จะบนกใละหมาดในห้องพระไปเลยละหมาดไม่ได้เหรอแล้วจะมีละหมาดยังไงอ่ะตอนอยู่มงกรเนี่ยสิบสามปีอ่ะละหมาดหันไปไหนอ่ะฮัลหลไม่กล้าบอแล้วกลับบ้านนี่มีอะไรอ่ะมีจรวดเต็มไปหมดเลยคือที่จริงเนี่ยไม่ต้องละหมาดห้องพระก็ได้แต่ผมกำลังบอก เราอย่าไปตั้งเงื่อนไขกับตัวเองเพราะที่จริงในศาสนาเปิดกว้างกว่านั้นเยอะเลยเพราะที่จอรถก็ละหมาดได้ห้องพนักงานทําความสะอาดนี่นไปหาละหมาดได้ที่ไหนก็ละหมาดได้หมดห้องตัวเองอะหรือห้องหัวหน้าห้องอะไรก็ได้ที่ขอหน่อยนะขอคุยกับเขาหน่ก็ช่วงนี้ขอละหมาดเนี่นะบางที่นี่ถ้าเราแค่สติเพื่อนๆหน่อยนะพี่ถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาแล้วจะละหมาดมาดูตเตรียมให้การที่แบบว่าในสังคมเราเนี่ยปัจจัยที่มันช่วยได้เยอะเลยอะแต่เราไม่ใช้ในการทำหน้าที่ตรงนี้เช่นเดียวกันพูดต่อต้านอยู่อะคือถ้าเราอยู่ในประเทศอาหรับบางประเทศเนี่ยที่เขาได้ ได้ทำสัญญาข้อตกลงกับยวแล้วจับมือยูกันแล้วเนี่ยต่ท่านยวไม่ได้นะถูกอุ้มเลยนะุมเลยนะนี่ประเทศเราเนี่เขาก็มีข้อตกลงกับยวเปิดสถานทูตมีความสัมพันธ์สมบูรณ์แรงงานไทยนี่ช่วยเหลือเศรษฐกิเจเศรษฐกิจอิสราเอลเนี่ยกี่หมื่นนะสี 40, ะ่หมป่ะแรงงานไทยเท่าไหรนะ่สี่หมืสี่มไม่น้อยนะ ถ้าใครคิดอยากจะด่ายูด่าพระเยซูใครจะว่ามาใครจะว่ามาไม่จะกลับมีมุสลิมที่ไม่ยอมแตะแตะ่อยูนี่ไม่แตะเลยนะไม่แตะเลยนะเพราะอะไรยังไม่มีไฟเขียวจากเจ้านายนเจ้านายอยู่ต่างแดนดไม่ได้อยู่ที่เจ้านายนี่ไม่ใช่เป็นคนไทยนะเจ้านายนี่ไม่ได้เปิดไฟเขียวไม่ผูก ผมแปลกใจมากด่ากลุ่มอีควานด่าดาวะด่ากลุ่มที่ไม่ที่เห็นต่างกันไอ้นึงโอ้โหถึงขนาดที่บางบางครั้งที่จัดงานนะถ้าใครทันนะเรื่องบางอย่างในอดีตเนี่ยผมไม่ชอบเล่าแต่มันยกตัวอย่างให้เห็นไงว่าพวกนี้เนี่ยที่ตอนนี้นี่ที่กำลังนิ่งไม่ไม่สะอึก พูดสักคำหนึ่งไอ้กยิวนะเคยจัดงานงานงานมหากรรมบนเวทีเนะี่ยมีนะักวิชาการ10คนแต่10คนตอนนี้เนี่ยแตกกันไม่มีชิ้นดีเลยนะเขาากลับมาด่ากันตัวเองนะแต่ตอนนั้นขึ้นเวทีสิบคนเนี่ยเวทีนี่ปนามอีควานแล้วก็ปนามอีกคนนึงอีกคนค น, นึงถือหางอีกวาน ไม่มีสิ่งดีเลยแล้ว น, นี่อีกวันนี้ยังมีคลาฟนะว่าผิดไม่ผิดสินะี้ก็ยงมีแต่ยูว่ามีคิลฟนะิฟลนาะแล้วตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยเนี่ยมีคลาฟว่ายูเนี่ยอาจจะดีก็อาจจะหรือเขาอาจจะมีเหตุผลหรือเปล่าที่เขาไปไปฆ่าชาวบ้านเนี่ยมีเหตุผลไหมอาจจะมีมันน่าสงสัยเปล่าเป็นชุมพัดเราก็ไม่ต้องไปนินทาเขาดูบาดเขาบาดงั้นนะ่ะถ้าเงียบเงบเงียบเยงีพูดมันมันเสี่ยง เดี๋ยวจะบาปไม่ต้องพูดเลยมันมันจริงนะนะคกู้งานตรงนี้เนี่ยมันจะเงียบกันเลยดูอ้านก็ไม่มีเนี่ยอ้านก็ไม่มีกูนูดก็ไม่มีนี่ jahid l k u f a r wal munafiq และยิ่งถ้าเรารู้นี่อายนี่มันก็ jahid ต่อสู้กุฟต่อสูกุฟานี่ก็คือคนที่เป็นปฏิบัติผู้ปฏิเสที่เป็นปฏิบัตินี้ก็ต่อสู้สงครามรูปแบบสงครามเต็มรูปแบบใช่ปะ อามุนาฟิกีละมุนาฟิกีเนผูก้ ก, กับกอกนี่ก็คือคนที่เปิดเผยว่าเป็นมุสลิมแต่ข้างในเนี่ยเป็นกาเฟ่อันนี้เนี่ยจะทําสงครามกับเขาอย่างไงก็คงก็ไม่ได้อ้างว่าเป็นกาเฟ่เนี่ยเาอ้างว่าเป็นมุสลิมอันนี้เราจะทําสงครามกับเขาไม่ได้เอาแล้วจะต่อสู้ยังไงต่อสู้ด้วยลิ้นต่อสู้ด้วยการสั่งสอนด้วยการตักเตือนด้วยการด้วยการบอกความจริง นี่เราไม่ได้บอกว่าให้ไปต่อสู้ยิเนะไปทำเอ็มรูปแบบสงครามซึ่งมันเป็นวา j ิบมันเป็นฝรัด่อะตอนนี้มันมีคลิปอันหนึง่งแชร์ตอนนี้แชร์กันเหลือเกินของเช็กซอยและฟาวซานตอนนี้เช็อยละฟาอูซานเนี่ยป่วยฉะนั้นคลิปที่ออกตอนนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยคลิปเก่านะแต่คนที่ตั้งใจเอาคลิปเกา่ามาใช้ในสถานการณ์ใหม่เนี่ย นอกจากว่าละเมิดละเมิดชิฟฟาวซานนะแล้วทำให้เขาเสียหายทําให้คนเข้าใจผิดเพราะตอนนี้เนี่ยต้องเขานอนติดเตียงอยู่ตอนนี้เขาอาจจะมีทัศนะอื่นก็ได้คลิปนี้ชิกอฟาวซานเนี่ยบอกว่าเขาพูดประมาณห้าวินาทีประโยคแรกเนี่ยถ้าศัตรูอิสลามบุกรุกรุกราน ประเด็นมุสลิมเนี่ยฟรดูอ้ายน์มุสลิมต้องจิฮาดแต่ถ้าหากว่าจิฮาดที่เราต้องไปสู้รบไปสู้รบต่างแดนนี่ยนอกแดนเนี่ยที่เขาเรียกว่าจิฮาดตุตลบและผมเคยบอกแล้วว่าจิฮาดแบบนี้เนี่ยที่จริงแล้วในอิสลามเนี่ยมันไม่มีคือจิฮาดเนี่ยจิฮาดต่างแดนเนี่ยเพื่อให้เข้าอิสลามเนี่ยอันนี้ไม่มี แต่เชื้ฟาาร์นบอกว่าถ้าจิฮดแบบนี้ีต้องเชื่อฟังวลีอยุลอ่ำหรือผู้นำถ้าผู้นำไม่อนุญาตก็จิฮาดไม่ได้และถ้าไม่มีความสามารถก็จิฮาดไม่ได้พูดอันนี้ในประมาณสองสานาทีว่าจิฮาดเนี่ยจิฮาดจะต้องขออนุญาตผู้นำและต้องมีความสามารถซึ่งคนที่ปล่อยคลิปเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าไอ้จิฮดยตอนนี้นี่นะต้องขออนุญาตผู้นา และต้องมีความสามารถแล้วตอนนี้เราไม่มีความสามารถจิฮาทกับยิวและก็ผู้นำก็ไม่ได้อนุญาตให้จีฮัข้อสรุปก็คือจีฮายิวไม่ได้แต่ตามคลิปของเชฟว์เว์จะไม่ได้พูดถึงจิฮาทจิฮาดุดดฟานี่คือจีฮัทปกป้องจีฮปกป้องนี่ไม่ต้องขออนุยาตผู้นำ แล้วไม่ต้องมีความสามารถอุลมามะที่บอกว่าิยอะปกป้องนี่นะเยอะทุกวิถีทางถึงจะมีแค่ก้อนหินนี่ในนะตำราเป็นพันปีนะถึงจะมีก้อนหินเนะี่ยมีไม้นะี่ก็เยอะเขาด้วยเครื่องมืออะไรก็ได้ซึ่งอันนี้ที่กำลังเกิดขึ้นศัตรูนี่รุกรานปาเลสไตน์รุกรานปาเลสไตน์ j ิ h าดมีวาจิบสำหรับชาวปาเลสไตน์ทุกคนทุกคนต้องออกมาสู้เพราะฉะนั้นเห็นพี่น้องปาเลสไตน์ยพี่น้องเห็นกันมาผมว่าอันนี้คือมหาสิ่งจริงๆที่อัลลอฮฺสุลตานอวะดาล่ะให้คนต่อสู้นี่พี่น้องปาเลสไตน์ตอนนี้เนะี่ยที่กาซาที่กำลังต่อสู้ อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์พี่น้องดูคลิปนะคลิปต่างๆเคยเห็นผู้หญิงไม่กุมีดามาเห็นไหไม่มีเคยเห็นคลิปไม่หวัดเออเขาถูกถล่มขณะที่กำลังจัดคอนเสิร์ตกำลังวงเล่ากันมีมไม่มีนอกจากนั้นก็เคยบ่นมาเคยนี่แหละ ก็ท <Yeah, LIKE> uh ah uh ี่เราแย่ในเรื่องอะไรเรื่องยากเรื่องอะไรสุกคนมีหนามซ้ำพูดกันทุกคนใครมีลูกตายมีเมียมีครากคัวตายเนี่ยโอ้เราฉันถวายไปแล้วให้พระองค์โอ้เราได้โปรดตอบรับฉันด้วยเขากำลังรู้เขากำลังสำนึกในบทบาทที่เขากำลังทำอยู่เขากำลังต่อสู้ แลกำลังต่อสู้แทนประชาชาิทั้งหมดเลยถึงเขาจะคากหวังว่ามีมุสลิมจะกระโดดไปช่วยเหลือเขาแต่เขาสินา้นหวังแล้วตอนเดือนนี้เขาออกมาพูดกันเยอะเลยไม่ต้องมาช่วยเราหรอกไม่ต้องมาต่อสู้กับเราแล้วไม่ต้องบริจาคให้เราด้วยขอเร่งเดียวอย่ยะยะดาด่าพวกเราอย่ามายุ่งกับพวกเรา หือว่าเขาในอยู่ในสภาพที่โชคดีที่สุดนะที่อัลลอฮ์เลือกให้เขาได้ทำไอบาดาที่ขาดแขนในยุคนี้ไอบาดาขาดแขนหปาถึงว่าไม่มีใครทําห้บาดาดีแล้วนักญิฮัดนักต่อสู้นี่ไม่มีแล้วก่อนนั้นยังเห็นพอเห็นตอนริบันกําลังสู้อเมริกาก็ก็เห็นแล้วมันก็แถวนี้ด้วยนะนแถวเอเชียนี่ด้วยมันก็รู้สึกเออรู้สึก ค, คึกหน่อยแต่พอตอร์บันประสบความสําเร็จนะะผมนี่ก็แอบคือทั้งดีใจแล้วก็แอบแอบเศร้าใจนิดหนึ่งคือหน้าที่จิฮาร์นี่มันจะมันจะดับลงมันจะดับมันไม่มีตัวอย่างให้ประชาชาติอิสลามได้เห็นถึงถึงเป็นความสําเร็จของตอร์บันที่เขาจีฮารกันมายี่สิปีไม่อ่อนไหวเลยจนประสบความสําเร็จ แล้ก็ชาวปาเลสไตน์นี่ก็ารู้เขาเจรจากันมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเขารู้ว่การต่อสูข้ของเขาเนี่ยต้องยาวนานยูนี่ก็ต่อสู้เป็นร้อยร้ยปีน่ะกว่าวจะได้ปาเลสไตนนี่ก็เป็นร้อยปีน่ะกว่าวจะได้ในวางแผนอะไรฉะนั้นเจนีญจะยาวนานนี่ก็ไม่มีปัญหาแต่ประชาชาติเนี่ยต้องตระหนักและส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องตระหนักนี่คือเรื่อง เรื่องเข้าใจในหลักการเข้าใจนาใจนคำสั่งสอนถ้าต่อเมื่อมีนะักกุชาการที่จะออกมาบิดเบือนแล้วก็สอนหลักการศาสนาบิดบันตุกๆุกเนี่ยนี่นี่นคืออันตรายที่สุดอันตรายที่สุดแล้วคนนี่มาสอนชาวบ้านบอกว่าละมาดนี่มายั้งนี่ําอัธยาศาัยตามสะดวกละมานจะละมานมาไหนก็ละมาน ล, ล, ละมาดได้ จะไปนักเลทไมพูดอย่างนี้ก็นี่ไงผมก็สอน้ะละมาดนะผมไปดบอกให้เขาทิ้งละหมาดนะผมไม่ได้ผมกว แ, แต่ผมผมบอกนบริบทของสังคมคนี่คนก็ะละหมาดยากผมก็บอกว่าละหมาดมาไรก็ได้พราะกลับบ้านนี่ก็จะมะ่วาวกตูเลยถ้าไม่มีมุสลิมบางคนนี่ก็ทาอย่างงี้จริงมีคนอกเช็ผมไม่เคยทิ้งละหมาดเลยไม่เคยทิ้งละหมาด ถ้าผมรู้ว่าเขาเขามีปยยัญหาเนี่ยผมก็ไหนบอกเปละหมาดยังไงละหมาดที่ทํางานเนะ่ะอ๋อไ ม, ม่มีที่ละหมาดไม่มีที่ละหมาดละหมาดยังไงผมกลับบ้านนี่ผมรวบเลยก่อนนอนนี่ต้องต้องละหมาดตุกวอกตัวนี่อะไรผมต้องต้องละหมาดให้เสร็จเออมีมีมุสลิมแบบนี้เยอะนะ่ะไม่น้อยนะเขาเข้าใจว่าเขาเขาสมบูรณ์เขาไม่ทิ้งละหมาดแล้วเขาแปลกใจว่าเอ้ทาไมต้องนักหนาอย่างนั้นนะ่ะตรง ไปที ม, มันสมควรว่าไปทัศนศึกษาโน้ตโน้ตไปเที่ยวขึ้นด อ, อย่างเงี้ยช่วงเวลาเที่ยงแล้วมันไม่มีที่ละมาแล้วเวลาดูกับโรงแรมขับโรงแรมนีงก็มั ก, กริบแล้วนะดุริอัศรีจะละมาอย่างไงไม่ไล่ดุริอัศรีมั ก, กริบอิชาไปเลยไง <c oughs> เขาเข้าใจว่าทําอย่างนั้นได้ทําไมเพราะมีตัวครูที่เขาเห็นเขาทําแล้วก็ไม่ว่ามีหนำซ้ำนีบ่บางทีตัวครูนี่ก็ทําแบบนี้ผมแปื่ใจในเวลาไปทำอุรอาไปทำฮัทเนี่ย อยู่บนเครื่องเวลาซูบีคือเวลาซุบี้นี่มันเป็นเวลาที่มันเรียกไม่ได้ไ่ะซูบี้คือซบี้ไงมันมันเวลามันไม่เยอะซุบฮะบนเครื่องนี่โอ้โหจักเต็มเลยขากลับนะและเนื่องจากว่าเครื่องบินนี่มันวิ่งเร็วใช่ปะ่ะต้องรีบละหมาดเพราะ่จะไม่ละหมาดมันเพ็แป๊บหนึ่งสว่าง แ, แป๊บหนึ่งก็สว่างแหละแสตทุกคนเนี่ยก็ต้องไปปก เพรมันช่วงดึกนะคนก็อบนอนเพียกันก็ต้องปุกเอ้ยละหมาสุบีละหมาสุพีแต่เราก็เห็นก็เออก็มีบางกลุ่มที่มีแซมีนักวิชาการนอนจนเครื่องลงสนามบินแล้วก็คงเป็นละหมาที่บ้านนั่นแหละสุพีเพราะว่ผมเห็นกัมนมาแก็ไม่ได้ละหมากันนะข้างๆนี้ก็มีนอนนอนหลับพูดเลย อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมแค่เอามาเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าถ้าเราไม่เอาหลักการศาสนาแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็ตรวจสอบตัวเองว่าแล้วตกลงคําสั่งที่เราได้ทํำวัเนี่ยเราทําและที่จริงเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมันจะเป็นบททดสอบว่าไอ้คําสั่งเนี่ยเราสามารถทําได้หรือทำไม่ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันมีตลอดนะที่ลบลู่ท่านนาบีที่เผาอุคุอ่านั่นนี่มันมาเรื่อยๆนะ เราก็มาตรวจสอบแล้วก็จะใหดิลกูฟาร์าล์มุนาฟิกินต่อสู้ผู้เผสถานแล้วมุนาฟิกินมันก็มันก็มีมาบ่อยๆเนี่ยเราตรวจสอบตัวเองบ้างไหมว่าแล้วก็เรายิฮัดต่อ ak, ผู้เผยสถาแล้วก็เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างยะฮุดเนี่ยเราไม่สามารถไปต่อสู้กับยูที่นู่นเลยแต่เราอยู่ที่นี่ทําหน้าที่ต่อสู้อะไรบางอย่างได้ไหมเพราะแน่นอนต่อสู้เนี่ยยูเนี่ยเขามี ทีมสื่อมวลชนมีทีมเศรษฐกิจมีทีมบันเทิงทุกทีมเลยนะครับเพราะมีทีมภาษาไทยด้วยนะส่งข้อมูลเฟซกนิวทางโซเชียลของไทยด้วยนะแสดงว่าด้านสื่อนี่เขาก็ถือว่ามันเป็นสนามรบอีกสนามหนึง่งนายกุ้ยครอกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้านับคะแนนนะในสมรภูมสนามรบเนี่ยทหารยูเนี่ยกลังเก็บคะแนนมากกว่า หมายถึงว่าความเสียหายอย่งน่ะโอ้ถล่มแน่นอนถลม่มสังหารคนเสียชีวิตเนี่ยนี่จะมื่นสองหมื่นสามแล้วเนี่ยแต่นักวิเคราะห์นี่ชาวตะวันตกนะเขาบอกว่าแต่สนามรบทางสื่อเนี่ยฝั่งฝาลิกซ้์ยเนี่ยได้เปรียบก็เป็นไปได้สูงนะครับว่าการทำสงครามด้านสื่อมวลชนเนี่ยมันก็ไม่น้อยกับสงครามแลวบางทีเนี่ย ผมดูนักวิเคราะห์คนหนึ่งเขาบอกว่ากระแสกดดันของโซเชีลเยลมันอาจจะมีผลทำให้ยุติสงครามได้นะแล้วเขาได้ยกตัวอย่างนำเสนอข้อมูลน่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรต่างๆว่ากระแสของโซเชียลนี่ทำให้ผู้นำประเทศตะวันตกนี่หลายคนเนี่ยต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนท่าทีและนโยบายเพราะกระแสกระแสของสังคมแสดงว่ามันเป็นอีกภาคส่วนที่เราสามารถต่อสู้ได้และอยู่ในมือสื่อทุกคนในนี้ไม่ได้มีช่องทีวีในมือนะแต่มีสื่อส่วนตัวในมือมีบัญชี t w i t เตอร์มีบัญชี Twitter, บญช Instagram บัญชี Facebook YouTube หรือสื่อโซเชียลต่างๆที่สามารถนําเสนอและตอบโต้ความเท็จของศัตรูหรือการบิดเบือนของศัตรูก็ถือว่าส่วนหนึ่งที่เราสามารถต่อสู้ได้ที่เราสามารถทําได้โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เข้าใจอันนี้ไม่ใช่งานต่อสู้นะแต่เป็นงานชี้แจงเป็นงานดาวะ่ะคนที่ยังไม่เข้าใจว่าไอ้อะไรยูอลิสไทร์อะไรเป็นยังไง ไม่เข้าใจจริงๆแล้วถ้าเข้าใจนี่นะเราจะได้สมาชิกใหม่มาต่อสู้กับเราอันนี้ไมาใช่งานที่หานะเป็นงานดาวะเป็นงานดาวะแต่งานดาวะนี่ในรูปแบบผลลัพธ์ของมันบั้นปลายของมันเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้ต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยงานดาวะที่มันก็เป็นงานต่อสู้โดยปริยายแต่ถ้าเราดาวะนี่เผยแผ่ความจริงนําเสนอความถูกต้องของเหตุการณ์น่ะนะมันก็จะเป็นต่อสู้ ในทางอ้อมแต่ข <devil> <earth> so, so, ้อแตกต่างระหว่างระหว่างการต่อสู้กับดาวนี้ก็มีเรื่องเดียวดาวนี้ลับบอุด ղ อีลา سبيل رب ิก ا بالحكمة والموعظة الحسنة ต้องดาว่าด้วยด้วยสันติวิธีด้วยมารยะที่สวยงามด้วยวิทยาปัญญาใหกมาแต่ต่อสู้กาฟิรีนวูนับิกีนต่อสู้ ผู้ปฏิเสธทาแล้วก็มูนาฟิกเนี่ยผู้กับกอกนี่ว่ารูว่าอะไรหิมและจงเฉียบขาดมันนิ่มนวนไม่ได้ต้องเฉียบขาดต้องรุนแรงแต่วลามาเรียบอกก็ว่ารูดว่อะไรหิมกิลว่าเนี่เฉียบขาดไม่ได้มารวมว่าแต่ต้องใช้คำหยาบคายไม่ได้าวว่าต้องต้องด่าทอ ไม่คือไม่ใช้คำนิ่มนวลเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่มีความปรารถนาดีหรือความตั้งใจที่จะเรียนรู้จะศึกษาอิสลามหรืออยากจะเข้าใจเราในแง่ดีไม่คือเขาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วมีหนมซ้ำเขายัง แฝงการปฏิเสธในหัวใจและก็เปิดเผยว่าเขาเป็นมุสลิมเพื่อหลอกลวงหลอกลวงมุสลิมเขาไม่ดีอยู่ในสถานะที่น่าสงสารเขากําลังอําพางตัวจะได้ฉวยโอกาสโจมที่เราฉะนั้นไม่ควรที่จะใช้ความนิ่มนวลตัวอย่างอันนี้จะได้เห็นชัดนะตัวอย่างของมุนาฟิกนี่ไะตัวอย่างของมุนาฟิกนี่ก็คือสยาม ที่กระทําหรือเชื่อสิ่งที่ตกศาสนาไม่ใช่เชื่ทั่วไปนะเชื่อที่เขาเชื่อว่ากุูอ่านไม่สมบูรณ์อันนี้กาเฟตแน่นอนแต่เขาพูดมาว่าเข้ากาเฟตและบางทีเขาเขาบอกนะโอ้กุูอ่านสมบรูรณ์ไม่มันนะสมบรูรณ์เขาพูดให้เราสบายใจแต่ข้างในของเขาเนี่ยเขาเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสวนทางกับความเชื่อของเรา นี่แทชิอาเนี่จะมาขอโตอหรือมาขอพูดคุยอันนี้ไม่ใช่งานดาวะแล้วนะแทชิอ า, าประเภทนี้อาซูนว่ามาขอพูดเรื่องประเด็นว่าอ่าสฮะบะตุระยศนบีหรือเปล่าไอ้แบบนี้ไม่ใช่งานดาวะแล้วนะอันนี้มันเป็นงานต่อสู้ต่อสู้กับกลุ่มไหนกลุ่มมุนาฟิกที่อัมพราง อำพรางกูฟุตอยู่ในหัวใจแต่บอกกับชาวโลกบอกกับประชาชาิอิสลามเี่ฉันเป็นมุสลิมเนี่ยฉนซึ่งมุนาฟิกนี่ถ้าไม่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาแฝงเนี่ยเราก็ไม่สามารถปรับปรับเขาว่าเป็นมุนาฟิกชัดๆเหมือนมุนาฟิกสมัยท่านน บ, บีที่เลาได้แฉพฤติกรรมของเขานั้นแนหะคือมุนาฟิกแต่คนนี้ไม่ไดไม่ได ไม่มีพฤติกรรมหรือคำพูดของมุนาบิกเนี่ยนบีก็ไม่ได้ยุ่งเลยมีมุนาบิกเนี่ยมาลามานกับท่านนบีทุกอย่างเนียนเลยแล้วไม่และนบีรู้ตัวจากอัลลอฮฺสุบฮานะอฺเท่านั้นเราบอกกันเส้นนึ่คนคนนี้ยังเป็นมุนาบิกนะยังเป็นมุนาบิกและวนบีก็จะบอกเขาได้แคม่เลียมานเขาเนียนมากแต่มีที่แสดงออกอับดุลลอฮอิบนย์อิบนสูเีย จะลาสิบเนาโมนเนี่ยเดี๋จะมีเรื่องจะมีเรื่องของมูนาฟิกในอายะเจ็ดสิบสี่เน่ยแสดงออกมาคนนี้แสดงออกมาแบบนี้นี่นะนี่แหละที่เราจะต้องต่อสู้หรือตัวอย่างของกลุ่มมูนาฟิกเนี่ยในสังคมเนี่ยก็คือพวกเซกโลและเซกโลาริสม์พวกที่แยกศาสนาออกจากโลกเขาเนี่ยกาลังเผยแพร่ วนาุลมแต่ละการศาสนาว่าด้วยการเมืองละการศาสนาว่าด้วยการเงินละการศาสนาว่าด้วยการปกครองเนี่ยไม่มีการปกครองอิสลามไม่มีห้ามดอกเบี้ยเรื่องอะไรอิสลามมีอะไรกยับดอกเบี้ยอิสลามเกี่ยวกับถาบันาอิสลามจะเกี่ยวอะไรกับตลาดหลักทรัพย์พวกนี้แ้าปฏิเสธ90ของศาสนา จยอมรับเรื่องอะไรละมานละมานไหมละมานอุ้มรอบใปทุกปีเลยตรงไปคนแบบนี้ในสังคมก็มีเอคนแบบนี้เราสมมุติฐานไว้ก่อนว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆนะซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆโดยเฉพาะคนที่เติบโตกั บ, ก, บกับกาเฟสเนี่ยกับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแล้วก็ไม่เคยศึกษาเรียนรู้อิสลามเลยมีความเป็นไปได้ว่าเขารับอิสลามแบบฝรัง่ง ฝรัง่งศาสนาคริสต์ของเขาเนี่ที่ที่บอบช้ำจากจากสถาบันโบสถ์หลายศตวรรษที่ไม่ให้ชาวคริสต์เนี่ยเรียนรู้ศึกษาวิทยาศาสตร์การเงินโบสถ์นี่ก็จะคองทุกอย่างเลยแล้วใครจะคิดเรียนใครจะคิดศึกษาอะไรเนี่ยเาก็จะเผาเลยแขวนคอเลยสุดท้ายในปฏิวัติของฝรั่งเศสเนี่ย ทำอะไรเอาลําไส้ของราชวงศ์คนสุดท้ายไปแขวนคอบาดหลวงคนสุดท้ายนี่วลีของเขาเอาลำไส้เน qui <ox smells lazy> ี <indoors> ่ยโค้กไส้ของราชวงศ์พอเขาปฏิวัติหมดไอ้ปฏิวัติฝรั่งเศสนี่ยเขาไม่เอาราชวงศ์เลยเอาลําไส้ของราชวงศ์คนสุดท้ายไปแขวนคอบาดหลวงคนสุดท้ายคือไม่เอาเลยบาดหลวงนี่ไม่เอาเลยเพราะอะไรโอ้เราเรา ที่เราลาหลังเนี่ยก็พวกบาดหลวงนี่แหละคนฝรั่งนี่ก็เกิดในบรรยากาศที่ว่าอย่าให้นักศาสนามายุ่งกับโลกเอแล้วก็เขาทำเองอยู่ในโบสถนั่นแหละและใครจะไปหามันก็เชิญแต่ไปมาแล้วเนี่ยอย่าเอาโลกเข้าไปในโบสถนะแล้วก็อย่าเอาโบสถนี้ออกมาในโลกมีมุสลิมเกิดขึ้นกับฝรัง่งเกิดขึ้นกับสังคมแบบนี้เขาเข้าใจว่าอิสลามก็แบบนี้อยางนี้ว่าอิสลามอยู่ไหน อยู่ในสุราเขาไม่เป็ิเศษนะสร้างสุราพระเ้าบริจากด้วย น, นี่ไงที่เป็นประธานจัดงานเยอะในประเภทเนี้บริจากสร้างสุเราเนี่ยวีเยบเลยแต่ให้สุราอิมามก็เต็มเนี่ยพูดเรื่องการเมืองอิสลามอย่าเลือกนักการเมืองทุจริตอย่าเลือก <laughs> เรียกอะไรไม่ได้นะไม่ได้เกี่ยวอะไร ยุ ilee, use. Use, ่งอะไรกันเป็ขนาดที่อิหมัมแถวนี้ใครที่ไม่เลือกเบอร์ไอ้นี่ะเป็นจำได้ใครที่ไม่เลือกเบอร์นี่เป็นพรรคไอ้นี่พรรคกัญชาเนี่ยใครที่ไม่เลือกพรรคนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ไเด้งไงจบดูสละวาด คิดดิง่ง ก, ก็นี่แหละในสังคมนี่มีโอกาสคนที่จะเข้าใจอิสลามแบบนี้อนะ่ะเรียกเข้าก่อนนะเออคุยดีเหมือนชียรเหมือนกันชียรถ้าเอเอเกิดอิรักอิหร่านนะ่มันมีเรื่องอะไรเลยเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะถ้าเห็นปฏิกิริยาไอ้นี่แหละนะเอ้อยไม่ใช่นะมีกุตอานไม่คุบซ้อมอันนี้แสดงว่าอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกอะไรอนะ่ะ เป็นตัวตั้งตัวติมีเชาหลายคนน่ะนะที่รักที่รานเนี่ยพอเริ่มมีเรื่องดาวเทียมเริ่มมีโซเชียลเนี่ยนักวิชาการก็ไลฟ์เพียบเลยเขาก็เข้าเข้าถึงความรู้ของสุนันท์โท่มาเลยนี่ผมเกิดในสังคมใช่ผมไม่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยแล้วประกาศประกาศเต้าบัดตัวเลยเยอะ ม, มากเลยเนะยอะ ม, มากเช่นเดียวกันพวกเซกัว่านี่ก็ บอกเขาคนนั้นนี่ถ้าเขาเห็นปฏิกิริยาเขายัางไงแต่ถ้าเขาออกมาแรงกันน่ะในสิตัวตั้งตัวตีถ้าเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วนี่นี่ว่ารุวาลอะไยนต้องเฉียบขาดเฉียบขาดนี่ก่ไม่ไ ม, ไมีไม่นิ่มนวลแล้วนะไม่นิ่มนวลแล้วถ้าไมอย่าเหตุผลนะ่ะในอิสลามศาสนาแห่งความเมตตาแห่งศาสนาแห่งความอ่อนโยนไม่ใช่หรอ คือสำหรับคนที่เป็นปฏิปักิ์กับอิสลามเนี่ยถ้าเขาเห็นอิสลามเนี่ยอ่อนแอนิ่มนวลมันอาจจะเชิญชวนให้เขาเนี่ยก้าวเรามากขึ้นอ๋อถ้มุสลิมมาไม้นี้เนี่ยเสร็จกูแ น, นุ่แต่ถ้าเห็นมีความเข้มแข็งเชียบขาดอ่าเขาก็จะเริ่มพิจรารณาเอ้ยอันนี้ศาสนาไม่เบาเหมือนกันนะนี่และคนก็มีสติปัญญาที่จะพิจรารณา ท่าทของมุสลิมตามสถานการณ์เหตุการณ์สิบ็กันยาทําให้คนอเมริกาเข้าอิสลามมากที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นสถิติเลยแล้วทําไมความทำไมความรุนแรงกลายเป็นเหตุผลให้คนเข้าใจอิสลามมากขึ้นละ่ะแสดงว่าการที่การที่มุสลิมเนี่ย แบบนิ่มๆ ม, มาตลอดเนี่ยทำให้คนอเมริกาเนี่ยขีคอมุสลิมไม่สนใจอิสลามแต่พอเออมีมีคนมาเฉียบขาดสักนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ดีนิดนะถ้ะเฉียบขาดนิดนึงนะ oh. อะขอขอขอข อ, ขอคุยหน่อยได้ไหมขอคุยเนอยขอศึกษาหน่อยได้ไหมอา้าอันนี้ ขอพี่น้องปาเลสไตน์นี่ฮามาสทำอะไรไว้ที่ทำไว้ตั้งแต่7ตุลานะมันน่าจะทำให้คนเกลียดชาวปาเลสไตน์มากที่สุดทำให้แบบว่าคนเบื่อหน้ายอาหรับและมุสลิมยิ่งกว่าเดิมปรากฏว่าไม่เหตุการณ์นี้ทั้งหมดนี่ทำให้คนเนี่ย สนใจศึกษาโดยเฉพาะพวกยูทูบเบอร์ที่ที่ตามสถานการณ์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้พากันรับอิสลามเนี่ยเพียบเลยทำไมอะเพราะอิสลามไม่มีรูปแบบเดียวในการในการโต้อตอบกับคนอื่ น, นการโต้อตอบคนอื่นนี่ก็มีทุกรูปแบบทั้งนิ่มนวลแล้วก็มีความเข้มแข็งอันนี้เราเราต้องคำนึง น, นะแต่บางทีเราอยู่ในสังคมที่ สังคมที่มีวัฒนธรรมนิ่มนวลนักศาสนา น, นักศาสนาเนี่ยต้องบรรยายเสียงเบาๆพี่น้องนะญาติโยมพวกเราต้องนะต้องต้อ ง, อ ง, องคัดเก่าติดใจยาแต่พอมีนักพี่น้องเราต้องทำไมทำไมต้องใช้อารมณ์ผมนี่ตรงนั้ เราต้องเข้าใจว่าธรนัธรรมของอิสลามด้วยนะว่าทางอิสลามเนี่บางอย่างเนี่ยใช้วิธีนิมวลมันไม่ได้นบีขึ้นคุตบะใช้เสียงดังสแสดงความโมโหโ ถ, ถึงขั้นที่หน้าแดงซาฮบะได้บอกในสานวนของซาฮบะนี่บอกว่านาบีเหมือนเม็ดทัพทิมอะนี่ต้องลองคิดหน้าแดงเหมือนเม็ทัพทิมะอะการที่ท่านในาบีมาเตือนเตือนเรื่องเรื่อ ง, รองนรกจงระวังนรกนะนรกใกล้ตัวมากเลยนะ เราใช้เสียงดังแล้วตอนนี้ถ้าเขาเตขึ้นมมบัทเนี่ยบานราวะพวกชาตนรกน่ะนรกไก่ตัวน่ะทาไมต้องใช้อารมณ์แบบนี้เบาๆก็ได้น่ะวันนี้ผมเจอเองนะเวลาเวลาตะกอนนู่นเวลาบรรยายเนี่ยที่เสียงแหพวกนี้ตกอนนู่นบรยายเสียงดังที่แหทกคนเนี่ยและเสียงดังชทำไมทไมต้องใช้อารมณ์ล่ะมันไม่ใช่อารมณ์ของมันขึ้นเองไงมันมันมันตามเนื้อหา <laughs> ถ้าจะพูดเรื่องนรกพี่น้องระวังนรกนะไอ้แบบนี้นี่คนอยากเข้านรกมากกว่านะไอ้ถ้พูดแบบเนี้ยคนไอ้นรกนี่น่าอยู่จังเลยถ้าพูดแบบเนี้ยไม่ใช่มันเนื้อหบางอย่างมันต้องเข้มเข้มข้นนะและอะไรบางอย่างนี่ถ้าเราไม่จริงใจกับเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออในเนื้อหาเนี่ยเราไม่เสนอแบบจริงใจเราเสนอแบบจริงใจถ้าทาไมเจ้าหน้าที่ในเวละ เวลาคจะเนี่ยพูดกับส ม, มตุตน่อคนผู้ดีหน่อยแต่งตัวดีๆมีมารยาทเนี่ยก็เจ้าหนี่ก็พูดดีแต่แต่มาแบบนักเลงแบบอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่จะท่านเชิก็เถอะก็เถองั้นน่ะมันก็ต้องมี อ, อ, อีกอีกอีกบทอีกบทต้องใช้อีกบทเหมือนเลยสําห ร, รับบูนาฟิกีนสําหรับกัฟอร์โอ้โลวาไลม์ต้องเชียบขาด <c oughs> ทั้งหมดที่ผมอธิบายเราจะได้เข้าใจไอ้บริบท พะเราก็ศึกษาเรียนรู้วศาสนาเดือนแห่งความเมตตาแห่งความอ่อนโยนนะเนี่ยมันก็บางทีก็ติดอะไรกตั้งค่าไว้แล้วตั้งค่านิมนตตลอดอ่อนโยนตลอดไม่ใช่บางช่วงนี่มุสลิมก็ต้องเข้มแข็งต้องเฉียบขาดสำหรับดุนยาเนี่ยต้องเฉียบขาดแต่สำหรับอาคริลเนี่ยพวกเจ้าไม่เกี่ยวเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการ ว่าว่าของจนนักที่อยู่ของพวกเขานั่นก็คือนรกญัฮันน์ว่าวิสัลมัสีรและที่กลับไปนั้นชั่วชาจริงๆสรุปแล้วอาย่านี้เนี่ยต้องทําให้เราได้ทบทวนผมพูดตอนตอนแรกเนี่ยวะมันคือคุณสมบัติของมุสลิมในในรัฐอิสลามในสังคมมุสลิมและทนบบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได้ สอนสหายในเรื่องนี้เนี่ยในช่วงก่อนที่ท่านนาบีจะเสียชีวิตในี่ยบิดีสิบีโรสกร็ระดับคงคงสุรัตตวานี่ทำให้สหาบยเนี่ยทราบซึ่งในหน้าที่ตรงนี้ระดับสากลด้วยพอท่านนาบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสหาบยถือเป็นภารกิจของเขาที่จะต้องต่อสู้กับผู้อธรรมทั่วโลกนบีเสียชีวิตแล้ว อบูฮักรได้รับขีลาวาแล้วโอมาินนลข้อบเนี่ยรับคำสั่งจากอาบูฮักให้ปราสายขึ้นเชิญชวนเชิญชวนให้คนเนี่ยออกไปต่อสู้กับอาณาจักรที่คมเหงประชาคมโลกโรมันและเบอร์เซียหลังจากที่ซงคามมุรตตัดีนคนที่ออกจากศาสนาเนี่ยจัดการเรียบร้อยแล้วนะ อันนั้นในปีแรกของอูบักนี่เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอบดุบบก์ที่เป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดนะกลับเป็นคนที่เฉียบขาดที่สุดกับสงครามมุสตั ด, ดินเพราะมารดุลเขาตอบบอกว่าจะไปต่อสู้ไปทําสงครามกับคนที่ก่าวลาอิลาฮอิลอัลลอฮ์เด้งไงอับดุเบบก์กาวลาอิลาฮออัลลอฮแต่ละการศาสนาอื่นมันไม่เอาถ้าขืนกันเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวศา ส, สนาอิสลาม บ้านปายก่อนวันเกียร์มากนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยก็ขอให้กล่าวละอิละห์อิลลัลลอฮ์ดื่มเล้าละอิละห์อิลลัลลอฮ์ฮะดูดกัญชากสุบฮานัลลอฮ์และฮะมดุลิลลาฮ์ฮะทำสินาลกัลลาอิละห์อิลลัลลอฮ์มันก็มันก็จะถูกเข้าใจงั้นถ้าถ้าอูบัรืปล่อยนะเออลละอิลลฮไม่ต้องออกอากาศละละหอิลลลฮไม่ต้องถือสิอดละอิละต์อิลลัลลอฮ์ไม่ต้องละฮะลอิละห์อิลลัลลอฮ์ไม่ต้องไม่ี้อมัะหมาดมีอะไรละอ คิดเลยหกเดือนนีเรียบร้อยมุตัดดีนี่ไม่เหลือนิ่งไหมอุลามาบอกว่าถ้าสหภาพตอนนั้นน่ะนิ่งนะไม่ญิฮ a d ต่อนนะไม่ทําหน้าที่จัดสรรสงสังคมโลกนะป่านนี้เนี่ยก็จริงด้วยเพราะพอสหฮาพเนี่เริ่มลดบทบาทในการญ i h า d เนี่ยก็ขัดแย้งกันแต่หลังจากนั้นนะ่ะเริ่มเลยจัดการอาณาจักรไหนเนี่ย ตอนนั้นนะ่ะทั่วโลกนะพี่น้องไปศึกษาในประวาสตร์ทั่วโลกเนี่ยระบบระบบกษัตริย์ที่สมบูรณ์นะ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นระบบวันลนะทั่วโลกเลยนะสังคมนี้ก็มีราชวงศ์แล้วก็มีเอ่อพวกเศรษฐีพวกครอบครองที่ดินนะแล้วก็พวกพ่อคา้าและทหารส่วนมากมแบบนี้และอื่นล่ะก็คือไพร ประชาชนทั่วไปนี่คือไพร่ไพร่หนีไว้งหมดเจะเป็นพ่อค้าเป็นแม่ขายจะเป็นอะไร ก, ก็ได้นะแต่เมื่ออะไรถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดเลยเนี่ยพูดอะไรไม่ไถูกเกณฑ์ทหารไปสูร้รบทำอะไรไม่ได้เอาลูกนี่มาเป็นทาสมาเป็นคนใช้ในในวังทำอะไรได้ไหมไม่ได้ทุกคนนี่เป็นไพร่สหภาพนี่ถือเป็นเป็นภรารกิจของเขาที่ต้อง ปดแอกประชาคมโลกพอมานกะตอบขึ้นมิมบร์เนี่ยเาก็อัลล์ให้เราได้มีฮิดายามีแสงสว่างจากคุรอานแล้วแต่มีคนนี่ตกอยู่เป็นท่าถูกข่มเหงในในทั่วโลกเนี่ยอาณาจักรโน้นอาณาจักรนี้พวกเราได้รับมรดกท่านนบีเราต้องลุกขึ้นไปช่วยเหลือประชาคมโลกญิหา d ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือญิหา d เพื่อ ให้คนมีอิสรภาพข้ออ้างเดียวเลยที่อเมริกากําลังคนเปื้ยนไปนูน่นเชิญชวนเรียกร้องประชาธิ ป, ปไตยสิทธิเสรีภาพถล่มตอริบันเพราะอะไรเพราะตอริบันข่มเหงชาวบ้านถล่มซา ด, ด ین, ัมฮุเซนเพราะอะไรเพราะซาดัมฮุเซนเนี่ยค่มเหงชาวบ้านถล่มก็อดดัฟี่นี่เพราะก็อกดดัฟีนี่คขมเหงชาวบ้านและนี่แหละยูนี่คุมเหงชาวบ้นนนนาบน ยึดทัพสินของชาวบ้านแล้วทไมสนับสนุนเขาละ่ะก็มันเป็นคำสั่งสอนที่มาเหมาะเจาะกับสถานการณ์ให้เป็นอุทาหรณ์เป็นเป็นบทเรียนให้พวกเราได้เข้าใจนะมุสลิมมุสลิมไม่ได้มีไว้ละหมาดอย่างเดียวพี่น้องจำจาคำนี้ไว้ดีเรามไีไม่ได้มีในโลกนี้ไว้ละหมาด ไม่ไดมีในโลกนี้ไว้อ่านกูอานอย่างเดียวไม่ได้มีในโลกนี้นี่ไว้ก็เหมือนที่เราก็มนุษย์นี่ไม่ได้มีไว้ไว้กินไว้สืบพันนี่เราไม่มันก็ไม่ต่างอะไรกับเดรดิราชาสะสะนศาสนาอิสลามนี่ไม่ได้มีเรื่องละหมาดอย่างเดียวถึงจะอิสลามนี่มีละละหมาดอย่างนี้นี่กูเรชนี่คงไม่ได้ออกมาต่อต้านดัช น, นีบีหรอกแค่มีแค่และอิละอิลลอห์นั่ง่ายนิดเดียวแต่เขรู้ไงะ ที่นบีบอกาให้กล่าววาอิละอละอิลอัลลอฮนี่โอ้มันมีข้อผูกมัดอย่างอื่นด้วยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าตรงไม่มีโซเพนี้ไม่มีการพันันไม่มีดอกเบี้ยไม่มีไมโนไม่มีเล่าไม่เมือนโอ้จะอยู่ได้ไงเขารู้ว่าอิละอิละอิลอัลลอฮก็ต้องทิ้งเรื่องนี้ทั้งทั้งหมดเลยนี่จุดเริ่มต้นในการต่อต้านท่านนบีวิธีชีวิตที่เลยแล้วเราจะมาเปลี่ยนแปลงนี่ทำไม่ได้ท่าน ถ้าเราได้มีข้อพื้นานลาอีลเราเ ล, ล, ล, ล่ากับอิสลามแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีคำสั่งที่เราต้องศึกษายิ่งอ่านกุตอ่านมากขึ้นเรายิ่งสว่างเข้าใจและการศาสนามากขึ้นฉะนั้นคนคนที่ไม่ยอมศึกษากุตอ่านนี่ก็มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งที่ไม่อยากรู้แต่เขาเข้าใจว่ากูไม่อยากรู้กูจะได้ไม่ทำมีคนมีคนคิดแบบนี้จริง ไม่ฟังบรรยายทำไมอ่ะรู้เยอะมันไม่ดีทำไมอ่ะรู้เยอะมันก็ต้องทำเยอะดิวิธ ก, ก็คือไม่ต้องรู้เขาก็จะงั้นแต่มันไม่ใช่ไงคือถ้าไม่รู้นี่ไม่ได้หมายว่าพ้นพ้นจากหน้าที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ยังต้องถูกสอบสวนว่าทำไมไม่เรียนรู้แล้วเป็นบาปใหญ่นะเป็นบาปใหญ่ที่เราที่เราอยู่ในความโมขา ว่ันตะ قول ว่าอัลลอฮฺมาลาตลมูพูดในสิ่งที่เราไม่รู้ <ت ص في ق> เขาไม่ได้ศึกษานันีที่มันพังที่มันพังยับนี่ตอนนี้นี่เพราะอะไรเพราะคนนี้ไม่รู้นี่มาพูดเรื่องศาสนาทั้งนั้นที่ตัวเองไม่รู้ประเพณที่สองนี่คนนี้ไม่เรียนรู้เนี่ยคือเขาไม่สนใจอิสลามไม่อยากให้อิสลา ม, ม่มีอิทธิพลในการบริหารชีวิตของเขาเขาพร้อมที่จะให้กฎหมายสากลนี่กฎหมายมนุษย์เนี่ย มาคุมชีวิตของเขารู้ไหมว่าอิสลามกุลแานนี่กุลแานนี่มีกฎหมายรู้จึงไม่อยากให้อุลแอนเนี่ยมามีอิทธิพลเขาจึงไม่เรียนอันนี้คนนี้นี่แย่กว่านะคือคนนี้นี่ก็ถ้ากิดเหมือนปฏิเสธเนี่ยไม่ไม่อยากอยู่ใต้อนดับของกฎหมายอิสลามอันนี้ยิ่งงย่การที่เราเรียนรู้อุลแานเนี่ยมันเป็นการปลด สองข้อหาเนี่ยข้อหาว่าไม่อยากปฏิบัติไม่คนที่เรียนรู้คุตั้นในแสดงว่า เ, เขาอยากปฏิบัติเขาเป็นนักปฏิบัติสองข้อหาที่สองเนี่ยเรียนรู้กุตัานเพราะอยากจะให้กุตัานมีอิทธิพลฉันเน่ยไม่ยอมรับให้อะไรมีอิทธิพลในชีวิตมันนอกจากคุตัานการเรียนรู้กุตัานจึงมีจึงมีประโยชน์แบบนี้ขอดุทิศต่อลระเจ้านรงอวยพรให้เราได้ เรียนรู้กุรอ่านตลอดชีวิตนะครับแล้วก็พยายามนำคำสั่งสอนในกุรอ่านนี่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตลอดไปนะครับมีคำถามไหม เ, เราได้มีการทำรายสินค้าที่ี่ะใช้บอนอนครับื่อม้หล่ีไ่ได้ไได อ, อกนร า, าเอครับนีนะนี็ไอเดียเหมือนกันมันก็มีเยอะแ่ะแค่เดี๋ยวพิมพ์แล้วก็มาติด ติดก็ได้แต่ผมดูแล้วเนี่ยผมเผมเนี่ยบอยคอร์เนี่ยมันเกือบ30สิปีแล้วเท่าที่ได้นะไม่ไม่ได้อ้างว่าบอยคอร์ดรนตะไม่ใช่นะแต่ผมพยายามมากที่สุดลิสต์ของบอยคอร์ดเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ชีวิตแบบแบบปกติชนนะปดสิบเอร์ซนี่ยเราไม่ได้แทบไม่ได้ใช้8ปเแทบไม่ได้ใชอ้อย่างเช่น คนที่เข้าห้างจะได้ซื้อสบู่ซื้อน้ํายาสบู่ล้างตัวอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เน้นเรื่องยอี่ห้อแม่ไอ้คนแบบนี้เนี่ยได้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่บ่อยคอร์ดเพราะส่วนมากของบ่อยคอร์ดนี่เป็นของแบรนด์ของแพงแต่ถ้าคนที่ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กันอยู่กับสบู่น้ำกแก้ว่เีรู้จักไหมเนี่ยส่วนมากผู้คนไม่เคยใช้กันเนี่ยเนี่ย นี่แสดงว่าใช่คนดียิ้มแป๊นนี่แสดงว่าสนิทกับนกแก้วอะไรเงี้ยเนี่ยสบูอะไรพวกเนี้ยนะแสดงว่าไม่น่าจะมีปัญหาคนที่ผู้ชีวิตผู้พันกับไกรทอดหัตใหญ่เนี่ยไม่คิดจะเข้า KFC อซีนะใช่ไหมแต่มันก็ดีนะสำหรับคนที่บางคนอาจจะกลัวจะหลงเพราะแบรนด์บางอย่างเนี่ยเขาก็ทำแบบโลคอส แบบถูกๆ ก, ก็มีนะแต่ถ้าสำหรับพวกเรานี่ทั่วไปเนี่ยแค่ดูยี่ห้อแล้วก็ชื่อเนี่เป็นไทยๆนะ อ, อย่างอย่างพวก เ, เครื่องใช้ในห้องน้ำทั้งหมดเล ย, เยถ้าใช้พวกสมุนไพรเนี่ยสบู่สมุนไพรยาสีฟันสมุนไพรอันนี้พ้นเลยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยแน่นอนแต่ถ้าเราแบบ เ, เราแบบไโซหน่อ ย, อยนะ c a ลเก a อะไรอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องโดนแน่นอนก็ต้องเจอลดไปดูของของกินนะฮะไมโลอินี่ละอวนินอวนินไม่มีอวนินถูกเทคไปแล้วไม่ไม่ใช่อวนตินต่อก่อนนุสล่อะไรที่เนสเล่เนี่อันนี้ง่ายๆนสล่เนี่ยมีไอ้นกพิราบนั่นน่ะอัน่บ่อยคร้เลยไมโลเนี่ย นสเรียนเยกว่าไม่โลที่จริงเนี่ยไม่โลก็ไม่สเล่นนะไม่โลกันสนะนสเลน่นนะดูนสเลียนี่ยดูนสเลใชก็ดีนะเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยจะพยายามดูดูบอกทีมงานให้พิมพ์แล้วก็มาติดมาติดแต่มันแต่มันเดีนี้มันกันในผมเห็นขึ้นบ่อยนะเยอะมากเลยอ ย, ย่างไรใครแต่อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าเอองา่ายที่สุดในเรื่องบอยคอร์ดนี่ก็คือใช้ชีวิต เรียบง่ายและอินชาอัลลอฮ์เนี่ยไม่ไม่ต้องพึ่งพาเขาแน่นอนนอกจากก็มีอะไรที่มันจําเป็นมากนะพวกยาอะไรที่แบบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของกินมีอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะ่าอาจจะมีนะอารับประเบตเขานเนี่ยแมคโดนัลล์เคเฟซเนี่ยเขากินง่ายคนนี้ไม่เค็งนี่นะดูดิอาระเบเข้าแมคโดนัลล์เคเอฟซเนี่ยบ้านเราอะนะ <laughs> เขา้าเฉยเลยเขาเข้าใจว่ามันทุกอย่างมันหาลาล เขา่าเหมือนสากลนาละอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยก็เริ่มลวแม้กระทั่งประเทศฝรั่งนี่ก็เริ่มบวยขอดกันเยอะเหมือนกันอืม mm hmm. สตาบักนี่อันนี้ระนีรนาดเอืม mm hmm. สตาบากักยิเี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกนา้า อ, อัดลมมาอะไรนงี้อันนี้ก็สมควรลวสมควรลว أبكي ن ك و ا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله.